ตอนที่195้ามั่นหมายแก้ปมต้องแก้ที่คนผูกเมื่อเจ้าชุนฮาัวาโกรธจัดถึงเพียงนี้หลีชิงผิงจะไม่กล้าเอ่ยถึงอวินฉงต่อหน้าแม่สามีเลยแม้แต่น้อยเพราะเกรงว่าจะทําให้ผู้เท่าโกรธจนเป็นอะไรไปเสียก่อนความจริงเรื่องนี้จะโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ได้สาเหตุหลักเป็นเพราะเด็กคนนั้นมีความคิดเป็นของตัวเองมากเกินไปคนเป็นผู้ใหญ่จึงไม่กล้าขัดใจแรงนักเพื่อหลีกเลี่ยงไมใ่ให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านเหมือนที่เป็นอยู่ในตอนนี้ กว่าแม่สามีจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งท้องฟ้าด้านนอกก็มือสนิทแล้วหลีชิงผิงที่กำลังเตรียมตัวจะพักผ่อนเมื่อเห็นเจ้าชุนหวาฟื้นขึ้นมาก็รีบพ่อไปหาทันทีท่านแม่ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างคะต้องทําใจให้สบายนะคะทุกอย่างต้องยู่สุขภาพ ى, เป็นหลักอย่าได้โมโหอีกเด็ดขาดชิงผิงเจ้าชุนฮววขานรับด้วยน้ําเสียงแหบพระนางเย็นแขนพยุงตัวลุกขึ้นนั่งเพราะการนอนพูดนั้นไม่ถนัดนักนางต้องการนั่งขึ้นมาหน่อยมีแค่เจ้าคนเดียวที่เฝ้าข้าหรือข้าแล้วก็มีคนดูแลด้วย เจ้งางวินชงละ่ะเขาทําให้ข้าโกรธจนเป็นแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่รู้จักมาเฝ้าข้าที่โรงพยาบาลเจ้าอยู่ที่บ้านยังต้องดูแลลูกๆแล้วยังต้องวิ่งมาโรงพยาบาลเพื่อดูแลข้าอีกไม่เหนื่อยหรือเจ้าชุนฮวารู้ดีว่าลูกสะพ้ยกตันยูนางไม่ได้รังเกียจที่ลูกชายไม่มาโรงพยาบาลจริงๆเพราะเจ้างวินชงนั้นกระตัญยูอยู่แล้วแต่นางแค่มีเรื่องอยากจะถามเขาเท่านั้นไม่เหนื่อยแค่ดูแลท่านแม่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยโกหกสองวันนี้เจ้าคงไม่ได้พักผ่อนดีๆเลยจะไม่เหนื่อยได้อย่างไรเจร้าชุนฮวาหลับตาลงเพื่อพักครู่หนึ่ง เอาเธอข้าไม่เป็นอะไรแล้วคืนนี้เจ้ากลับไปอยู่กับลูกๆเธอถ้าไม่มีอะไรสําคัญก็ไม่ต้องมาเฝ้าที่โรงพยาบาลหรอกท่านแม่คะลีชิงพิงอึกอักเหมือนมีคำพูดติดอยู่ที่ริมฝีปากมีอะไรหรือเจ้ายังมีเรื่องจะพูดอีกใช่ไหมเจ้าชุนฮวาเห็นท่าทางออึ้งของนางความจริงต่อให้ไม่ถามก็รู้ว่าลูกสะภ้ยอยากจะพูดเรื่องอะไรนางถอนหายใจออกมาอาวิ๋งชงคงบอกเจ้าแล้วใช่ไหม พี่ชายคนโตกับพี่สะั้ยใหญ่ของเขาตายอยู่ข้างนอกในบ้านมีลูกหลานเป็นทหารสักด์คนก็พอแล้วทำไมต้องให้เศร้าซิงไปที่ซีเปิดด้วยที่นั่นอันตรายยิ่งกว่าข้ากังวลเรื่องนี้แหละท่านแม่ข่ะฉันรู้เรื่องหมดแล้วลีชิงพิงพยักหน้ายอย่างลังเลนางเข้าใจดีว่าแม่สามีกังวลเรื่องอะไรแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วพูดอะไรไปก็ไร้ประโยชน์ ท่านแม่เข้าใจของคนเป็นผู้ใหญ่คนเป็นเด็กย่อมไม่เข้าใจหรอกค้าแต่ตอนนี้เด็กๆโตกันหมดแล้วพวกเขามีความคิดเป็นของตัวเองก็เป็นเรื่องปกติตอนแรกอวิ๋งฉงก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้เศร้าซิงไปจริงๆแต่ถลลูกตื้อของเด็กคนนั้นไม่ไหวเลยต้องยอมตกลงให้เขาไปลองปรับตัวดูก่อนถ้าผ่านไปสักพักแล้วปรับตัวไม่ได้ค่อยกลับมาก็ได้คะ่ะลีชิงผิงพยายามช่วยพูดแก้ต่างให้เจิ้งอวิง๋งฉงเซวันเองก่อนหน้านี้ก็เคยบอกฉันว่าถ้าจะเรียนต่อปริญญาโทก็วางแผนจะไปทางใต้ ความจริงในใจฉันก็ไม่วางใจเหมือนกันรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงอยู่ไกลบ้านเกินไปมันไม่ดีแต่ก็ทําไม่ได้ค่าเพราะนี่คือการตัดสินใจของลูกเองเจ้าชุนฮวานางไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแต่ยื่นมือไปตบหลังมือลูกสบายเบาๆกลับไปเถอะข้าก็แค่โมโหโจนหน้ามืดเป็นลมไปชั่วครู่ไม่ได้มีปัญหาใหญ่อะไรสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไรค้ารู้ดีเจ้ามาเฝ้าข้าอยู่ที่นี่ข้ากลับรู้สึกไม่สบายใจเสียอีกที่ต้องมาเป็นภาระพวกเจ้าคนเรากินธัญพืชห้าชนิดจะไม่เจ็บป่วยได้อย่างไรคะ คนครอบครัวเดียวก็ไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องภาระหรือไม่เป็นภาระหรอกลีชิงผิงเพียงแค่อยากจะทำหน้าที่กตัญยูแทนเจิ้งอวินชงเท่านั้นเพราะตอนนี้ชายหนุ่มไม่กล้าโผล่หน้ามาที่โรงพยาบาลเลยตอนที่หลีหวานมาถึงในตอนเช้าอาการของเจ้าชุนฮวาก็ดีขึ้นมากแล้วนางยินกรานจะออกจากโรงพยาบาลให้ได้โดยบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลไม่สบายตัวรู้สึกอึดอัดไปหมด ลิวานตอบโยนอารมณ์ของผู้ทวาการออกจากโรงพยาบาล น, นั้นไม่มีปัญหาแต่ต้องตรวจร่างกายให้เรียบร้อยก่อนไม่ยืนยันว่าไม่เป็นอะไรแล้วถึงจะออกไปได้โชคดีที่ปกติสุขภาพของนางค่อนข้างแข็งแรงหลังจากตรวจเสร็จจึงจัด ก, การเรื่องออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีเจ้าชุนฮาวาก็ไม่ได้ถือโทษรถเจิ้งอวินชงในเรื่องนี้จริงๆคำพูดหนึ่งของชิงถิงนั้นถูกต้องเด็กๆโตกันหมดแล้วมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นเรื่องปกติพวกนางแก่แล้วจริงๆเฮอะ เรื่องของเจ้างเศร้าซิงถูกวางลงไว้ชั่วคราวเจ้าชุนฮาวาก็เริ่มคิดจะจัดการเรื่องนัดบอดให้หลานชายคนที่สองของบ้านเจ้งางเศรายังต่อต้านเรื่องนี้มากในใจเขามีคนที่ชอบอยู่แล้วนอกจากหยวนเหยียนเหยียดแล้วเขาจะไม่ยอมพบใครทั้งสิ้นเจ้าชุนฮาวายิ่งโมโหเข้าไปใหญ่สุดท้ายนางจึงเลิกยุ่งทุกอย่างใครอยากจะทําอะไรก็ทําไปคนหนุ่มสาวสมัยนี้เข้าใจยากจริงๆไม่รู้ว่าในหัวคิดอะไรกันอยู่หลานชายสองคนนี้ยังไม่เชื่อฟังเท่าลูกชายเลยด้วยซ้ํา เจิงซียวยางตามจีบหยวนเยียนเยียนแต่ไม่สําเร็จส่วนหยวนเยียนเยียนชอบเหวินโม่แต่ก็ไม่สําเร็จเช่นกันทั้งสามคนวงเวียนกันอยู่อย่างนี้นายชอบฉันฉันชอบเขาตอนแรกหลีหวันยังมองเรื่องนี้ด้วยท่าทีเหมือนดูละครสนุกสนุกแต่ไม่นานเรื่องการเร่งรัดให้แต่งงานก็ตกมาอยู่ที่หัวของนางเองทางประกูลหยวนมีความเห็นว่าในเมื่อตอนนี้ทั้งสองคนเข้ากันได้ดีพอสมควรจึงพิจารณาที่จะนัดให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาพบกันเพื่อตกลงเรื่องการมันหมายและแต่งงาน ข่าวนี้เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากหลีหวานถึงกับยังไม่ได้เตรียมใจเลยด้วยซ้ําหยวนเซาเหิงเป็นคนแรกที่เตือนหลีหวานเขาสังเกตสีหน้าของนางในใจรู้สึกประหม่ายอย่างบอกไม่ถูกหลักๆเลยคือต้องดูว่าคุณคิดอย่างไรถ้าคุณรู้สึกว่าพวกเรามั่นกันตอนนี้มันเร็วเกินไปก็ยังไม่ต้องมั่นคุณอยากมั่นไหมละ่ะอืมแน่นอนว่าหยวนเซาเหิงอยากอยู่แล้วเขาอยากจะตีตราจองคนไวใ้ให้เร็วที่สุดเพราะหลีหวานนั้นมีสเสน่ดึงดูดคนเกินไปงั้นก็มั่นเถอะ หลังจากหลีหวานพูดจบในใจก็ไม่มีอะไรต้องลังเลอีกในเมื่อตัดสินใจเลือกหยวนเศร้าเหิงแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจริงหรือ <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องแบบนี้จะมีปลอมได้อย่างไรแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ท่านคิดอย่างไรวันก่อนพ่อยังบอกอยู่เลยว่าตั้งใจจะให้ฉันแต่งงานออกไปช้ากว่านี้สักสองปีความจริงพวกเราจะแต่งงานหรือไม่แต่งก็ไม่ได้ต่างกันมากกรอกนะตอไปถ้าคุณอยากลับบ้านผมก็พร้อมจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณที่นี่ได้ตลอดเวลาหยวนเศร้าเหิงพูดด้วยความประมาาเล็กน้อย พวกเรายังสามารถซื้อบ้านในที่ที่ใกล้กับทั้งสองบ้านได้โดยแบบนี้จะไปไหนมาไหนก็สะดวกอึมดีค่ะหลีหวันยกยิ้มมุมปากความจริงตอนนี้เธอยังรู้สึกมึนงงอยู่บ้างจนกระทั่งเมื่อผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมานั่งลงพร้อมหน้ากับหลีหวานถึงได้ตระหนักได้อย่างแท้จริงว่าพวกเขาทั้งสองคนกําลังจะมั่นกันจริงๆแล้วร้านอาหารของรัฐเจิ้งอวิ๋นชมกับหลีชิงผิงได้พบกับสามีภรรยาตระกูลหยวนอีกครั้งเพียงแต่ครั้งก่อนเป็นเพราะเรื่องของหยวนเศร้าเหงิงแต่ครั้งนี้เป็นเพราะเรื่องการแต่งงานของลูกทั้งงสองคน เจ้งางวินชงไม่คิดว่าตัวเองจะยังหนุ่มยังแน่นแต่ก็ต้องแต่งลูกสาวออกไปเสียแล้วในใจเขามีความอะไรอาวรเป็นอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเขาแล้วหลีชิงถิงไม่ได้มีความรู้สึกที่ซับซ้อนขนาดนั้นนางดีใจมากที่ลูกส า, สาวสามารถหาคนที่ตัวเองชอบได้พบในเมื่อเด็กทั้งสองคนไม่มีความเห็นคัดค้านงั้นวันนี้พวกเราก็มาตกลงวันมั่นหมายกันก่อนส่วนวันแต่งงานคงต้องเลิกเลิกงามยามดีกันอีกที่ชิงถิงคุณเห็นว่าอย่างไรแม่หยวนถามขึ้นด้วยรอยยิ้มเบิกบาน ได้แค่แน่นอนว่าได้อยู่แล้วในส่วนของสินสอดนั้นทางเราจะไม่ให้เสียหวันต้องลำบากแน่นอนพวกเราเตรียมจะซื้อบ้านแยกให้พวกเขาสองคนหนึ่งหลังแล้วก็จะหารถยนต์ให้ด้วยส่วนเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆก็จะเตรียมไว้ให้พร้อมนอกจากนี้ยังมีเงินสินสอดอีก1น0 0งหันยวนรวมถึงเครื่องประดับทองคำต่างๆด้วยเงินสินสอด 16, ึ่งพันหยวนนั้นจะว่ามากก็มากจะว่าน้อยก็น้อยเพราะในตอนนี้สินสอดของบ้านอื่นยังอยู่ที่หลักไม่กี่ร้อยหยวนเท่านั้น สินสอดจะให้เท่าไหร่ก็ไม่สำคัญเพราะสิ่งที่หลีหวันเลือกไม่ใช่เงินสินสอดอีกอย่างไม่ว่าจะให้สินสอดมาเท่าไหร่สุดท้ายมันก็จะถูกนำกลับไปเป็นทุนรอนให้ทั้งคู่ตามเดิมอยู่ดี